เห็นกายโด ย, โดยความเป็นธาตุขั้นที่5ของการฝึกมีสติอยู่กับกายการฝึกเห็นกายโดยความเป็นของกาาสกรปรกนั้นช่วยถ่ายถอนจิตออกจากความยึดติดถือมั่นในกายทำให้เราเห็นกายเป็นอื่นก็จริงแต่ตัวความละเกียจเองยังไม่ใช่ความรู้แจ้งแทงตลอดเรายังกาจัดความหลงผิดเกี่ยวกับกายได้ไม่หมดเมื่อไม่หมดก็ต้องฝึกเพื่อกาจัดต่อไปให้หมด ความหลงผิดเกี่ยวกับกายอย่างไรอีกขอให้ดูจากที่ยังอาจมีความรู้สึกว่าความศสกรปรกนั้นคือตัวเราอยู่ซึ่งนั่นก็แปลว่าเรายังมองว่ากายเป็นตัวแทนของเราเมื่อกายศสกรปรกตัวเราก็ศสกโปกไปด้วยทำนองเดียวกับเมื่อครั้งยังไม่ฝึกเห็นตามจริงว่ากายศสกปปกก็หลงนึกว่าตัวเราสะอาดตัวเราสง่างามเหนือสัตว์อื่น พูดง่ายๆว่ามองกายเป็นอย่างไรก็รู้สึกว่าตัวเราเป็นอย่างนั้นไปเสหมดในขั้นนี้เราจะฝึกมีสติอยู่กับกายโดยเห็นสักแต่ว่าเป็นธาตุเห็นให้ซึ้งถึงความจริงว่าธาตุไม่ใช่บุคคลไม่มีความเป็นบุคคลอยู่ในธาตุทานองเดียวกับที่เราไม่เคยรู้สึกว่าแผ่นดินผืนน้ำกองไฟและสายลมรอบด้านเป็นบุคคลเป็นหญิงชาย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 น้ำที่กําลังล่วงผ่านลำคอก็จัดเป็นธาตุน้ำเช่นกัน 3. าธาตุไฟมีสภาวะร้อนแผ่ไปในธาตุอื่นๆแล้วมีผลให้อุณหภูมิสูงขึ้นได้ส่วนของกายที่เข้าข่ายธาตุไฟได้แก่ออุอ่นอแสดงถึงการมีชีวิตอร้อนที่ยังกายให้กระวนกระวายอร้อนที่ยังกายให้สุดโทม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 พระล้วนมีกายเป็นที่ตั้งของสติทั้งสิน้นเช่นหนึ่งขณะรู้ลมหายใจเมื่อรู้ลมหายใจอย่างต่อเนื่องเป็นอัตโนมัติให้พิจารณาว่าใจเราตั้งมั่นไม่มีความหว่านไหวเป็นฝ่ายรู้ส่วนลมหายใจที่เข้ามาและออกไปมีลักษณะพัดไหวไม่ต่างจากสายลมภายนอกไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่ใคร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 ของแข็งไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่ใครเมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ด้วยจิตอันตั้งมั่นไม่รู้สึกว่ามีบุคคลอยู่ในโครงร่างเท่านี้ก็ได้ชื่อว่าเห็นกายโดยความเป็นธาตุดินแล้วไม่จาเป็นต้องจินตนาการให้เกินเลยกว่าที่กำลังรู้สึกอยู่จริงๆ 3. ขณะรู้ความเคลื่อนไหวต่างๆเมื่อรู้ความเคลื่อนไหวปรีกย่อย ที่เกิดขึ้นในอิรยาบทใหญ่ในปัจจุบันก็ฝึกสังเกตว่าความเคลื่อนไหวนั้ น, น, นแสดงธาตุอะไรให้เรารู้ได้บ้างเช่นการเหยียดและการงอทำให้เรารู้สึกถึงการยืดหดของกล้ามเนื้อตรงนั้นคือส่วนของธาตุดินการกลืนน้ำลายหรือการกระพริบตาทำให้เรารู้สึกถึงความลื่นของน้ำตรงนั้นคือส่วนของธาตุน้ำ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 ออกมารู้ออกมาดูว่าทาดสีน si ั่งอยู่และนั่นก็คือความพร้อมจะสละความหลงผิดติดยึดกายให้เด็ดขาดในขั้นสุดท้ายต่อไปเห็นกายโดยความเป็นของศูนย์ขั้นสุดท้ายของการฝึกมีสติอยู่กับกายการฝึกเห็นกายโดยความเป็นทาดนั้น ละความรู้สึกว่ามีตัวตนอยู่ในกายได้ก็จริงแต่เรายังอาจหลงเข้าใจผิดอยู่ว่าเราธาตุมีความตั้งมั่นทั้งนี้ก็เพราะโดยธรรมชาติของดินน้ำไฟลมนั้นรวมกันคงรูปอยู่ได้และคุมไว้ในสภาพหน้าจดจำว่าเป็นมนุษย์คนหนึ่งเกือบร้อยปียาวนานพอจะหลอกให้เราหลงนึกว่ากายมีความตั้งมั่นได้ฉะนั้น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 เข้าไปเห็นสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ใต้ผิวหนังเสียก่อนแล้วจะไม่ต้องอาศัยความใจถึงในการฝึกขั้นสุดท้ายอีกต่อไปนักเจริญสติที่มีความรู้สึกตัวดีนั้นเพียงการสดับรับรู้ว่าความจริงสุดท้ายของกายเป็นอย่างไรก็เพียงพอที่จะเหนียวนำให้จิตเห็นจริงตามนั้นแล้วโดยไม่จำเป็นต้องเค้นนึกให้เหนื่อยแต่อย่างใดผู้ฝึกย่อมทราบว่า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 จากนั้นแรงดันของก๊าซจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆภายในสามวันจะดันลิ้นออกมาจูกปากและดันลูกในตาให้ทะลักออกมานอกเบ้าแถมด้วยกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงเกินทนนอกจากนั้นการยุติของชีวิตจะทําให้การไหลเวียนของเลือดยุติตามน้ำเหลืองจะค่อยๆซึมจากเส้นเลือดออกมาขังอยู่ตามช่องโพรงต่างๆเช่นช่องอกและช่องท้อง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 ภายในเวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมงตัวเมียจะวางไข่ไว้ในส่วนที่ชื้นเช่นรูจมูกลูกในตาช่องปากหรือตามบาดแผลหลังจากนั้น12บสองชั่วโมงจะมีตัวหนอนฟักออกจากไข่กลายเป็นดักแดก้และแปลสภาพเป็นฝูงแมลงวันยั่วเย้ออีกทียิ่งถาวางไว้กลางทุ่งโลง่งก็จะเห็นแรงกาหมามดมารุมถึงดุดงานเลี้ยงมือใหญ่ไม่จากัดแขก สศพนี้จะเหลือเพียงกระดูกผูกด้วยเส้นเอ็นฉาบเลือดเนื้อเป็นธรรมดาเมื่อถูกสัตว์แทะ ก, กินเนื้อหนังขาดแหว่งก็ย่อมเผยให้เห็นแก่นของกายคือโครงกระดูกซึ่งเบื้องแรกจะยังมีทั้งเลือดและเนื้อหนังติดอยู่บางส่วนนอกจากนั้นยังมีเส้นเอ็นร้อยรัดยึดโครงกระดูกให้รวมอยู่ด้วยกันไม่ไปไหนด้วย 4. ศพนี้จะเหลือเพียงกระดูก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 โครงกระดูกนี้จะกองเรียงรายมีอายุได้เกินปีเป็นธรรมดากระดูกที่ถูกวางต่างอากาศไว้ไม่ถูกดินโคลนทับถมจนแร่ธาตุซึมเข้าไปอุดโพรงจะยังคงสภาพเป็นกระดูกอยู่เกินปีได้ไม่นานก็เริ่มเข้าสู่ภาวะผุพัง 9. โครงกระดูกนี้จะผุพังปนเป็นผงแหลกละเอียดเป็นธรรมดาถึงขั้นนี้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 หลักการฝึกมีสติอยู่กับเวทนานับแต่เริ่มฝึกรู้ลมหายใจมาจนกระทั่งเห็นกายโดยความเป็นของศูนย์เราจะพบความจริงประการหนึ่งคือจิตเราพละจากกายมาหาความรู้สึกภายในอยู่เรื่อยซึ่งทันทีที่จิตกลับมาเกาะความรู้สึกภายในความรู้สึกว่าเป็นเราก็จะปรากฏเต็มตัวขึ้นมาทันทีนั่นเพราะขาดที่ตั้งของสติ ไม่รู้จะตั้งสติไว้ตรงไหนมโนภาพความเป็นบุคคลที่กำลังปรากฏอยู่แม้นยายนี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นด้วยความมีกายเพียงอย่างเดียวแต่ยังประกอบด้วยความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ถ้าสุขก็รู้สึกว่ามีตัวเราดีๆถ้าทุกข์ก็รู้สึกว่ามีตัวเราแย่ๆถ้าเฉยก็รู้สึกว่ามีตัวเราธรมาธรมดาธรรมดา ตราบเท่าที่ยังหลงเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าเป็นตัวเราก็ต้องฝึกรู้กันต่อไปจนกว่าจะเกิดปัญญาเห็นแจ้งไม่อาจหยุดการฝึกเพียงแค่มีสติอยู่กับกายเท่านั้นความรู้สึกเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่ใช่ว่าจิตจะเข้าไปเสพรสความรู้สึกอยู่เสมอหลักการฝึกมีสติอยู่กับความรู้สึกนั้นเราจะดูว่า เมื่อใดจิตไม่อยากรู้กายหรือสิ่งอื่นพลาจากความรู้ในกายและสิ่งอื่นมาเสพความรู้สึกแทนเช่นเมื่อจงกรมรู้ริยาบุดเดินจนเมื่ อ, อลาไม่เอ็นลงนอนผ่อนพักอย่างสบายจิตย่อมถูกดึงดูดให้หันเหความสนใจจากกายมาเสพสุขประดุดปลาพบน้ำหรือเมื่อมีสติรู้ริยาบุนอนอยู่ดีๆ เกิดปวดอุจาระจนเป็นทุกข์เต็มกลั้นจิตย่อมถูกกระชากลากดึงให้มาผูกอยู่กับความทุกข์แน่นหนาราวกับนักโทษในเครื่องทรมานเป็นต้นการที่จิตไม่ใยดีสิ่งอื่นเอาแต่เสพความรู้สึกนั่นแหละคือบทฝึกของเราเรียงตามลำดับจากง่ายไปหายากดังนี้หนึ่งเมื่อเสพสุขก็รู้ว่าเสพสุขความสุขคือความเบาสบาย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 เมื่อเสพทุกข์ก็รู้ว่าเสพทุกข์ความทุกข์คือความอึดอัดกดดันหรือระคายกายระคายใจอยู่กับสภาพแย่ๆความทุกข์มีโทษต ร, ตรงที่กดสติให้พลาเรือนแต่ก็มีประโยชน์คือผลักให้อยากพ้นไปเสียทุกข์ที่เกิดขึ้นโดยอาศัยเหยื่อล่อแบบโรคๆเรียกว่าทุกข์แบบมีอามิรเช่นเจอหน้าคนที่เกลียดกันได้ยินเสียงหนกหู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 ส่วนทุกขที่เป็นผลข้างเคียงจากการเจริญสติเรียกว่าทุกขแบบไม่มีอามิ t h เช่นไม่สามารถตั้งจิตเป็นสมาธิตามปรารถนาหรือกระทั่งเพียรเพื่อมรักผลแล้วยังไม่เห็นวี่แววสำเร็จเสียทีไม่ทราบต้องทนรออีกนานเพียงใดเราจะพบว่าเมื่อจิตเสพทุกประเภทนี้อยู่ย่อมเกิดความอยากหนีสภาวะของตัวเองในขณะนั้ น, น, น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 จึงหลุดจากความเหนื่อยหน่ายมาสู่ความกระตือรือร้อนจะได้หลังจากฝึกรู้สึกทุกเฉยไปเรื่อยๆในที่สุดเราจะให้ค่าความรู้สึกทั้งหลายเสมอกันตรงที่ต่างก็เป็นเพียงความรู้สึกแม้เกิดความรู้สึกอย่างไรขึ้นมาเราก็จะไม่เข้าไปเป็นความรู้สึกนั้นๆความรู้สึกถูกเห็นเป็นเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นวูบหนึ่งแล้วดับลงตามเหตุกระตุน้น ไม่มีใครเกิดไม่มีใครดับไปด้วยเลยอันหนึ่งเมื่อเริ่มฝึกอาจมีการพยายามจำแนกความรู้สึกออกเป็นประเภทประเภทเหมือนเกิดเสียงคอยภาคกำกับไปด้วยต่อเมื่อคุณแล้วว่าจะรู้สุขทุกอย่างไรก็จะเยียบเสียงภาคไปเองที่ตรงนั้นคือการมีสติรู้นามนธรรมอย่างแท้จริงพูดง่ายๆว่าสติเข้าไปชนกับความรู้สึกตรงๆ โดยปราศจากเครื่องก้นรุงรังใดๆมวดจิตรู้สภาพจิตหลักการฝึกมีสติอยู่กับจิตกายเป็นของจับต้องได้แต่รู้ตัวเองไม่ได้ต้องมีจิตทำหน้าที่รู้กายจึงปลากฏดว่ามีอยู่และเช่นกันแม้ความรู้สึกสุขทุกข์เป็นของจับต้องด้วยมือไม่ได้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 ที่ยังไม่เห็นว่าจิตปลวนแปรไปอยู่เสมอตราบนั้นความสำคัญผิดว่าจิตเป็นตัวเราก็จะยังคงฝังรากยังไม่อาจถ่ายถอนต่อให้สำเร็จสมาธิขั้นสูงเกิดญาณรู้เห็นมากมายมีความรู้สึกอยู่เหนือโลกียะก็ยังคงสำคัญไปอยู่ดีว่าจิตอันสูงส่งคือตัวของตนที่แท้เมื่อเป็นเช่นนั้นการฝึกที่ผ่านผ่านมา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 เพราะกายยังคงรูปเดิมๆให้เห็นนานกว่าจิตมากนักการฝึกรู้จิตต่อไปนี้ไล่จากหยาบไปหาละเอียดเมื่อกิเลสหยาบๆหายไปจิตก็มีคุณภาพสูงขึ้นการฝึกเบื้องสูงก็สังเกตเปรียบเทียบความต่างระหว่างจิตที่ประณีตยิ่งๆขึ้นนั่นเองหนึ่งเมื่อจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะเมื่อจิตปราศจากราคะ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 ตาจะถอนจากอาการจดจ้องรูปภายนอกหรือใจจะถอยออกมาจากข่วงจินตนาการทางกามารมกลับเข้ามารู้สึกถึงความว่างจากราคะอันเป็นภายในขณะแห่งการรู้ความว่างจากราคานั่นเองคือการรู้ว่าจิตปราศจากราคะแต่หากสติเกิดไม่ทันเพราะไม่ตั้งใจดักสังเกตไว้ล่วงหน้าราคาที่มีในจิต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 หรืออยากทําลายให้ศูนย์สิ้นไปโดยปกติเมื่อเกิดโทสะนั้นคนทั่วไปมักมีความยับยั้งชั่งใจอยู่ระดับหนึ่งคือไม่พูดจาหรือลงไม้ลงมือประทุสล้ายใครทันทีความยับยั้งชั่งใจนั่นเองส่งผลให้เกิดสติรู้ตัวอย่างอ่อนๆคือรู้ว่าขณะนี้จิตมีโทสะอยู่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 ว่าขณะนี้จิตมีโทสะโทสะย่อมปรากฏเป็นส่วนเกินเป็นของแปลกปลอมเป็นของอื่นนอกจากจิตความรู้เท่าทันเช่นนั้นย่อมทาให้สติเกิดขึ้นและกลับมารู้อยู่กับความเย็นอันมาจากจิตที่ผ่องแผ้วจากโทสะแต่หากไม่เกิดสติเท่าทันว่าจิตมีโทสะแม่นักเจริญสติก็พลาดพลั้งได้ปล่อยให้โทสะกำเริบ ลูกลามไปเป็นความร้อนทางกายและวาจาได้ซึ่งถึงจะเกิดสติขึ้นในช่วงนั้นก็คงไม่เห็นโทสะหายไปในทันทีแต่เป็นไปได้ที่จะรู้สึกว่าแรงอัดหรือความเผาผลาญของโทสะมีหนักบ้างเบาบ้างสลับกันหากเฝ้าดูเฝ้ารู้สักระยะหนึ่งจึงค่อยเห็นว่าโทสะระงับลง 3. เมื่อจิตมีโมหะ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 ความหดหูคืออาการซึมทื่อหรือหอเหี่ยวไม่ชื่นบานมีความหยุดอยู่กับที่ชาเฉยกับที่อาการเหมือลอยหรือขี้เกียจเคลื่อนไหวจัดเป็นความหดหูอย่างอ่อนส่วนความซึมเศร้าบวดอะไรตายยากสิ้นหวังในชีวิตน่าเป็นความหดหูขนาดหนักความฟุ้งซ่านคืออาการที่จิตไม่สงบมีความพล่านไปซัดสายไป อาการคิดวกวนไม่เป็นเรื่องน่าเป็นความฟุ้งซ่านอย่างอ่อนส่วนความตื่นเต้นหรือเครียดจัดน่าเป็นความฟุ้งซ่านขนาดหนักทั้งความหดหู่และความฟุ้งซ่านต่างเป็นสภาพจิตที่เอามาใช้การยากเพราะจับอะไรไม่ค่อยติดและภาวะหวดหู่กับภาวะฟุ้งซ่านก็เป็นภาวะที่ลากจูงกันมาเช่นถ้าปล่อยใจเมื่อลอยหรือแช่จมกับอารมณ์เบื่อสักพัก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 ต้องแก้ด้วยการเคลื่อนไหวในแบบที่จะเกิดความกระตือรือร้อนต่างๆเช่นเร่งความเพียรในการจงกลมหรือออกกำลังหนักๆให้ได้เหงือแต่ถ้าฟุ้งซ่านจัดก็ต้องแก้ด้วยการสร้างปัจจัยของความสงบต่างๆเช่นเข้าหาบรรยากาศวิเวกลากลมหายใจ ย, วยาวๆผ่อนลมหายใจช้าๆ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 คือถ้าจิตมีอาการรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไม่กวัดแกวง่งไม่แส่สายไปทางอื่นแม้เพียงชั่วขณะก็จัดเป็นสมาธิได้แล้วขอให้เข้าใจดีๆว่าสมาธิไม่ใช่การจงใจหยุดคิดไม่ใช่การพยายามบังคับให้นิ่งถือและโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ใช่การฝืนใจเพ่งเล็งสิ่งใดสิ่งหนึ่งตัวอย่างที่เห็นได้ชัด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 เปิดกว้างไม่เจาะจงจุดใดจุดหนึ่งคับแคบเช่นกันการมีสติในข้อนี้เพียงแค่ให้จิตรู้ว่าตัวเองแน่นิ่งไม่แสสายก็พออย่าให้กลายเป็นเพ่งบังคับจะประคองความนิ่งไว้นานๆใครเอาปลายนิ้วไปแตะผนังเพื่อทราบความเรียบของผนังไม่ใช่ออกแรงกดผนังจนมือเกรงนั่นไปหลังจากเฝ้าสังเกตรู้ว่า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 นุ่มนวลอ่อนควรใจการเจริญสติกายก็ปรากฏเป็นของเล็กมีความละเอียดดูง่ายเหมือนภาพใสนิ่งกล่าวอีกในหนึ่งคือเราอ่านอาศัยความชัดเจนของการเห็นกายใจเป็นเครื่องวัดได้ว่าจิตกำลังเป็นสมาธิที่เปี่ยมคุณภาพหรือด้อยคุณภาพหกเมื่อจิตเป็นมหัคตะก็รู้ว่าจิตเป็นมหัคตะ เมื่อจิตไม่เป็นมหคตะก็รู้ว่าจิตไม่เป็นมหคตะมหคตะคือความตั้งมั่นเป็นหนึ่งของจิตมีความยิ่งใหญ่ขั้นต้นยังน้อยต้องมีปีติสุขเ อ, อิบอาบทราบซ่านเยือกเย็นวิเวกตั้งแต่หัวจุดเท้ารัศมีจิตสว่างจ้าออกไปทุกทิศทุกทางเสมอกันเป็นสภาวะจิตอีกแบบ ที่ต่างไปอย่างสิ้นเชิงจากจิตสามัญที่นึกนึกคิดคิดอยู่เมื่อสามารถนิ่งอย่างรู้เราจะรู้สึกถึงความว่าที่น่าพอใจยินดีความพอใจยินดีนั้นอาจกลายเป็นความติดอยู่หลงอยู่มัวปลื้มอยู่แต่หากวีสติมีความเข้าใจประกอบการเทียบเคียงจนเห็นจริงว่าจิตไม่อาจเป็นมหัคตะได้ตลอดเวลา แม้ตั้งอยู่นานก็ต้องเสื่อมลงช่วขณะที่เสื่อมจากความเป็นมหาคตะอย่างมีสติรู้เราจะค่อยๆถอนความติดใจ ย, ยินดีเสียได้ทีละครั้งทีลหนจนที่สุดเหลือแต่ความเห็นแจ่มชัดว่ามหาคตะเป็นเพียงภาวะปรุงแต่งชั่วคราวคาดหวังพึ่งพาถาวรไม่ได้เจ็ 7. เมื่อมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่ามีจิตอื่นยิ่งกว่า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 เมื่อรู้สภาพจิตต่างๆจนเห็นความไม่เที่ยงของจิตก็เหมือนไม่มีเหลือที่ตั้งให้อุปาทานอีกต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นประทับใจสิ่งใดแค่ไหนก็จะเห็นว่าสักแต่เป็นความรู้สึกหนึ่งหรือเป็นปรากฏการณ์ทางจิตครั้งหนึ่งหาได้มีความน่าประทับใจอยู่จริงไหมเ<ๆ>พียงต่างวันความรู้สึกก็ต่างไปแล้วมาถึงตรงนี้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 ขั้นแรกของการฝึกมีสติอยู่กับสภาวะธรรมถ้าผ่านการฝึกสติมาถึงขั้นนี้เราจะเริ่มเห็นรำไรว่าตัวเองมีสิทธิทาลายอุปาทานในกายใจได้แน่เพราะกายใจถูกถอดแยกทีละชิ้นเหมือนปอกกาบกล้วยทีละกาบจนเกือบจะเห็นอยู่รอมร่อว่าแก่นแท้หามีสิ่งใดไม่นอกเสีย จ, จากความว่างเปล่า หาตัวตนเป็นชิ้นเป็นอันให้จับต้องไม่ได้เลยเมื่อจวนเจียนจะรู้ความจริงกําลังใจและความกระตือรือร้อนย่อมต้องเกิดขึ้นและคำถามสำคัญที่มักอยู่ในใจนักเจริญสติช่วงนี้ก็คือทำอย่างไรจะมีสติได้ตลอดเวลาการขาดสติไม่ได้หมายถึงแค่ตอนเหมือลอยหรือแสสายคิดน้นคิดนี้เรื่อยเปื่อย ยังมีคลื่นรบกวนสติอีกหลายชนิดซึ่งเราควรทำความรู้จักและเข้าใจวิธีจัดการให้ดีไม่ควรเลี้ยงไว้เป็นตัวถ่วงความเจริญเปล่าๆการมุ่ง ม, มั่นกำจัดอุปสรรคในการเจริญสติจะเป็นตัวพิสูจน์ว่าที่เราทำมาทั้งหมดนั้นเอาจริงหรือแค่ทำเล่นๆอุปสรรคสำคัญของการเจริญสติได้แก่หนึ่งความติดใจในกาม ความติดใจในกามเกิดจากรสชาติน่ายินดีชวนให้อยากเอาอีกความรู้สึกถวิลหาไม่เลิกนั่นแหละฟ้องว่าติดใจในกามและตราบใดที่ยังติดใจในกามตราบนั้นย่อมไม่ใช่วิสัยที่จะรู้สึกว่ากายไม่น่ายินดีกายไม่เที่ยงกายไม่ใช่เราอย่างไรก็ต้องสำคัญมั่นหมายว่ากายน่ายินดีกายเที่ยงกายคือตัวเรา ความติดใจในกามเกิดจากการตรึกนึกถึงกามดังนั้นถ้าเริ่มตรึกนึกถึงกามแล้วรู้ว่าตรึกนึกถึงกามสติที่ขาดไปก็จะคืนกลับมาไม่ตรึกนึกถึงกามต่อและจะเห็นอีกด้วยว่าความติดใจในกามหายไปก็เหลือแต่ความว่างความแห้งสะอาดจากกามเหมือนขึ้นจากหนองน้ำสกปรกเสียได้แต่หากกาลังของสติยังอ่อน ความติดใจในกามยังไม่หายไปก็ต้องอาศัยคู่ปรับของความติดใจในกามนั่นคือการะระลึกถึงกายโดยความเป็นของสกปรกไล่จากผมขนเล็บฟันหนังไปจนกระทั่งของโสโครกเน่าเหม็นที่อยู่ข้างในดังที่เคยผ่านมาแล้วเมื่อฝึกมีสติอยู่กับกายสองความผูกใจเจ็บความผูกใจเจ็บ เกิดจากการกระทบกระทั่งหน้าขัดเคืองชวนให้อยากเอาคืนความรู้สึกเครื่องเครียดไม่เลิกนั่นแหละตัวฟ้องว่าเราผูกใจเจ็บอยู่และตราบใดที่ยังผูกใจเจ็บตราบนั้นย่อมไม่ใช่วิสัยที่จะรู้ตามจริงว่าความทุกข์เป็นสิ่งหน้าอึดอัดความทุกข์ไม่เที่ยงความทุกข์ไม่ใช่เราอย่างไรก็ต้องสำคัญมั่นหมายว่าความทุกข์เป็นของตั้งมั่นแก่ไม่หลุด ความทุกข์คือตัวเราถ้าเริ่มผูกใจเจ็บแล้วรู้ว่าผูกใจเจ็บสติที่ขาดไปก็จะคืนกลับมาไม่ตรึกนึกถึงเรื่องหน้าขาดเคืองต่อและจะเห็นอีกด้วยว่าหลังจากอาการผูกใจเจ็บหายไปก็เหลือแต่ความว่างความโปร่งสบายหายหนักหายเจ็บใจเหมือนตอนหายป่วยแล้วกลับมีกาลังวังชาสดใสกันใหม่แต่หากกาลังของสติยังอ่อน ความตรึกนึกถึงเรื่องหน่าขัดเคืองไม่หายไปก็ต้องอาศัยคู่ปรับของความผูกใจเจ็บนั่นคือการแผ่เมตตาเริ่มต้นด้วยการทำความรู้สึกตัวตามจริงเห็นว่าผูกใจแล้วใจตัวเองนั่นแหละที่อึดอัดคัดแน่นหรือกระทั่งเล่าร้อนทรมานหากหายจากโรคทางใจพันนี้จได้ค่อยโล่งกายโล่งใจหน่อยวิธีหายจากโรคพยาบาท ก็คือใช้ยาชื่อว่าอาภัยอันไม่อาจซื้อหาจากไหนต้องปรุงด้วยใจซึ่งก็แค่เห็นเข้ามาที่จิตให้ได้รู้ว่าเพียงวูบหนึ่งของการคิดอภัยจิตจะคลายออกจากอาการยึดเปลี่ยนจากแน่นหนักคับแคบเป็นโปร่งเบาและเปิดกว้างเหมือนครีบม่านดำเผยฟ้าใสเมื่อสภาพจิตที่โปร่งโล่งปรากฏขึ้นสิ่งที่ตามมาเป็นธรรมดา คือความปรารถนาสันติสุขแก่ทุกฝ่ายทั้งเราทั้งเขาเมื่อเห็นธรรมชาติของการเกิดความรู้สึกดีๆเช่นนั้นก็ให้ใส่ใจอยู่กับรสสุขของภาวะแห่งจิตไปเรื่อยๆเพียงเท่านี้ก็ได้ชื่อว่าอยู่ในอาการแผ่เมตตาแล้ว 3. ความง่วงเหงาซึมเศร้าความง่วงเหงาซึมเศร้ า, มม เ, า เ, รเกิดจากความเกียดคร้านความมัวเมาในรสอาหาร และการตั้งจิตไว้กับความรู้สึกหดหูขอให้ทราบว่าความง่วงเหงาซึมเศร้าในที่นี้แตกต่างจากความง่วงเพราะเพลียที่ทางานมาอย่างหนักและต้องการพักผ่อนบ้างความง่วงเหงาซึมเศร้าในที่นี้เจืออยู่ด้วยความขี้เกียจยังไม่ถึงเวลาพักก็อยากพักยังไม่ถึงเวลานอนก็อยากนอนสำหรับนักเจริญสติย่อมเห็นเป็นหมอกมัวเคลือบคลุมจิต ให้เจริญสติท่ามกลางหมอกมัวนั่นทึบย่อมไม่ใช่วิสัยถ้าเริ่มซึมเศร้าแล้วรู้ว่าซึมเศร้าสติที่ขาดไปก็จะคืนกลับมาไม่ซึมเศร้าต่อและจะเห็นอีกด้วยว่าหลังจากความซึมเศร้าหายไปจะกลายเป็นสดชื่นกระปรีก้กระเป่าแม้เมื่อเสือ่อมซึมอีกก็รู้ได้อีกยิ่งสั่งสมความเคยชินที่จะรู้มากขึ้นเท่าไหร่ ก็จะกลับสดชื่นได้มากและรวดเร็วขึ้นเท่านั้นแต่หากกำลังของสติยังอ่อนความซึมเศร้าไม่หายไปก็ต้องอาศัยคู่ปรับของความซึมเศร้านั่นคือคิดเร่งความเพียรอาจจะเดินจงกรมเร็วๆออกกำลังกายหนักๆเคลื่อนไหวกระทากิจในชีวิตประจำวันด้วยความธรรมัดถมงขอเพียงดึงจิตออกมาจากความแช่จมหมกตัวนิ่งได้ก็นับว่า ด, ดีทั้งนั้น 4. ความฟุ้งซ่านรำคาญใจความฟุ้งซ่านรำคาญใจเกิดจากความไม่สงบของจิตกล่าวคือถ้ามีเรื่องรบกวนจิตหรือเป็นผู้ไม่ชอบใจในความผาสุกสงบทางใจก็น้อมเอียงที่จะดิ้นรนซัดสายไปได้เรื่อยถ้าเริ่มฟุ้งซ่านแล้วรู้ว่าฟุ้งซ่านสติที่ขาดไปก็จะคืนกลับมาไม่ฟุ้งซ่านต่อและจะเห็นอีกด้วยว่า หลังจากความฟุ้งซ่านหายไปจะกลายเป็นความสงบวิเวกเมื่อฟุ้งอีกก็พร้อมจะรู้ว่าฟุ้งอีกโดยไม่กระจัดกระจายเป็นขี้เท่าถูกเป่าดังเคยแต่หากกำลังของสติยังอ่อนความฟุ้งซ่านไม่หายไปก็ต้องอาศัยคู่ปรับของความฟุ้งซ่านนั่นคือความสงบแห่งจิตซึ่งก็ต้องอาศัยทั้งสิ่งแวดล้อมที่เบาบางจากความวุ่นวาย การเลือกเสพสมาคมกับผู้มีจิตอันระ ง, งับจากความเร่าร้อนสวดมนต์ให้เสียงอันเป็นมงคลจากปากดังกรบเสียงอัปมงคลในหัวตลอดจนปิดตาทำความรู้สึกถึงสายลมหายใจที่ลากยาวแช่มช้าเป็นต้น 5. ความลังเลสงสยัยความลังเลสงสยัยในที่นี้มุ่งเอาแง่ของการไม่ปร่งใจในการเจริญสติ และเหตุที่สงสัยก็เพราะไม่ใส่ใจโดยแยบคายเช่นคาใจในวิธีปฏิบัติและผลการปฏิบัติไม่แน่ใจว่าที่ตัวเองทําอยู่ถูกหรือผิดได้ผลอย่างหนึ่งแล้วจะต้องทําเช่นใดต่อไปถ้าเริ่มสงสัยแล้วรู้ว่าสงสยัยสติที่ขาดไปก็จะคืนกลับมาไม่สงสัยต่อและจะเห็นอีกด้วยว่า หลังจากความสงสัยหายไปจะกลายเป็นความเชื่อมั่นเมื่อสงสัยอีกก็พร้อมจะรู้ว่าสงสัยอีกโดยไม่ค่อยเขยไปไหนไกลแต่หากกำลังของสติยังอ่อนความสงสัยไม่หายไปก็ต้องอาศัยคู่ปรับของความสงสยัยนั่นคือการทำความเข้าใจให้กระจางซึ่งก็อาจต้องอาศัยครูบาอาจารย์หรือตำรับตำราช่วย การด้นเดาหรือเสี่ยงผิดเสี่ยงถูกทั้งไม่แน่ใจรังแต่จะก่อผลเสียไปเรื่อยๆในระยะยาวได้เมื่อทำความรู้จักและสามารถเท่าทันบรรดาตัวการที่ทำให้สติขาดเราก็จะเป็นผู้มีสติอยู่เสมอแม้ไม่ถึงขนาดทุกวินาทีตลอด24ชั่วโมงก็สมควรเรียกว่าเป็นผู้ขนขวายเจริญสติทั้งวันมีสติอยู่เกือบตลอดเวลาแล้ว